บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงเรื่องนิวรณข้อสุดท้ายคือวิจิิจฌามาโดยลำดำับเพราะว่ากิเลสสามกองคือโลกหลดลงนั้นกิเลประเภทโมหะเรือ ว, วิชา เป็นที่มาหรือเป็นรากง่าวของสัพพิเกเรททั้งหลายอาวิชาหรือโมฆะที่มังเกิดขึ้นภายในใจคนจะเรียกว่ามีลักษณะคลุ่มรลุ้มใจนัน้นจะออกมาในสามแนวคือไม่รู้หรือพุ่งสัน้นหรือสงสัยในกรณีของความเครือบแคลงสงสัยหรือไม่แน่ใจ เรเรียกบาลีววิจิกิชาซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นภายในจิตใครก็ตามจะขอให้เกิดภาวะชะงักงันคือก้าวไปไหนไม่ได้ในการเรียนหนังสือเกิดความสงสัยก็จะตอบเรื่องเหล่านั้นไม่ได้อธิบายเรื่องเหล่านั้นไม่ได้ไม่จะเดินไปบนถนนนทางถ้าเจอจุดที่เราสงสัยมันก็หยุดจุดตรงนั้น กว่าจะแก้วความสงสัยได้มันลักษณะลนี้จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันของบุคคลถ้าสามารถขจัดความรู้สึกประเภทนี้ออกไปได้หรืออย่างน้อยบรรเทาได้ก็จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีปราบเจริญก้าวหน้าในทางที่ดีให้ลองสังเกตตัวอย่างง่ายๆเช่น ความเครียดแครงสงสัยในผลกรรมที่บุคคลจะได้รับบางทีก็สงสัยว่าได้รับบางทีก็สงสัยว่าสงสัยว่าได้รับจริงหรือหรือว่าไม่ได้รับจะสงสัยว่าทําดีได้ดีจริงหรือหรือว่าทําดีไม่ได้ดีโดยชาติหน้ามีจริงหรือหรือว่าไม่มีนรกสวรรค์มีจริงหรือหรือว่าไม่มี ลักษณะเหล่านี้เป็นเรื่องของความครุแคลังสงสัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียความเชื่อมั่นภายในใจในการกระทําความดีละความชั่วถ้าเราไม่มั่นใจในผลของความดีความชั่วว่าทําดีได้ดีทำชั่วดีชั่วก็อาจจะมีการงดเว้นความชั่วในกรณีที่อยู่ต่อหน้าคนอื่น มีสกิบยานรับรู้กันกระทำช่วของตนแต่ว่าเราไม่มั่นใจในผลว่าจะเป็นความช่วยจริงหรือไม่หรือให้เปิดความตกจริงหรือไม่วันช่วงใดจังหวะใดที่อยู่ในสายตาคนอื่นก็พร้อมที่จะทำความช่วยแต่ในจุดนี้เองถ้าเรามีความมั่นใจในผลของการกระทำ อาจะทำดีทำชั่วต่อหน้าคนรับหลังคนก็ตามก็คือทำชั่วก็จะมีผลเป็นความชั่วทำหนองคล้ายๆก็จับไฟเกิดจะจับตรงไหนมันก็ร้อนจับสีดำจับต่อหน้าคนรับหลังคนมันก็ดำบังการทำความชั่วก็มีลักษณะอย่างงั้นเ อ, อ๊จากความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นภายในใจมันก็จะความเครียดแครงต้งใส่ออกไป ถ้าำให้บุคคลเหล่านั้นพร้อมที่จะกระทำความดีทั้งต่อหน้าคนและรับฟังคนและพร้อมที่จะงดเว้นความชั่วทั้งต่อหน้าคนและรับฟังคนแต่ทีนี้ถ้าหากวาความเชื่อมันอยู่จุดนี้คืออยู่ในใกล้ๆแต่เราเกิดมีความไปเชื่ออีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นภาษาขัดขวาง ในการปฏิบัติความดีด้วยความเชื่อมัน่นเช่นไปคิดว่าคนเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวก็จบกันแต่จุดนี้มันจะไปกระทบการปฏิบัติในชีวิตประจํำวันคือจะมองแต่ผลที่ตนจะได้ในปัจจุบันและต้องรับผิดชอบในปัจจุบันเท่านั้นเอง กาความคิดในแนวการสะสมบุตร ส, สมกุศลสะสมวาสนาปรมีสะสมความดีที่จำนวนศาสนาชา้คำว่าเป็นสเสบียงเลี้ยงตนในภายภาคหน้ามันก็ไปเกิดขึ้นเพราะฉันเท่าสะหะที่จะบำเพ็ญเพียรระดับสูงขึ้นไปในระดับการเจริญกรรมฐานระดับสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานระับเจริญศีล ที่มีความประดิษฐ์ขึ้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรพระตาหากมองการอยู่ร่วมกันในสังคมเพียงชาติปัจจุบันคนเราจะผิดศีลชะกันชะ ก, กันมันก็อยู่ได้แล้วเพราะการสมาทานศีลการรักษาศีลที่เกิดเป็นฐานใจที่มีความสำคัญนั้นบุคคลจะต้องเชื่อ ผลจากศีลทั้งสามระดับระดับแรกที่เั้นชายขโมามนุษย์สมบัติคือศีลเลนโภกับสัมปทาบุคคลจะได้ป ก, ปกสมบัติประกศีลแล้วก็เชื่อในคลที่เป็นระดับนี้ผ่านสมบัติไอ้สวรรค์สมบัติคือผลที่เราจะได้ด้วความสุข ก, กายสบายใจในชาติปัจจุบันและไปบังเกิดในสุคติโลสวรรค์ในชาตินาด้วย เ็ระจะเป็นการกระทาเผื่อจะมีลักษณะคล้ายๆกับการปรุงอาหารในการทำอะไรก็ตามคือถ้าเรารู้เราคนเดียวมันก็ปรุงไม่มากแต่ถ้ามีคนอื่นจะต้องดูแลจะใส่ด้วยปริมาณขออาหารก็เพิ่มขึ้นการทำงานก็จะมีลักษณะาจากนั้นราทํางานเพื่อตัวเราเป็นคนเดียวไอ้ความกระตือรือร้นความหมั่นขยานมันก็น้อย แต่ถ้ามองถึงผลที่เราจะต้องรับผิดชอบที่สืบต่อมาจากการงานเองตอนเราต้อ ง, ต, องต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรปัญญาสามีอะไรต่างๆเนี่ยความเพี่ยนพยายามที่จะเพิ่มเงินเพิ่มงานมันก็เกิดเกิดขึ้นแต่เงินมัน ก, ก็มาจากงานเพราะฉะนั้นปริมาณความคิดลักษณะของความคิดมันจะไปเพิ่มในตัวงานหรือจะเกิดเงินมากขึ้นในตัว เพาในกระบวนการเหล่านี้มันก็อยู่ที่อาศัยความเชื่อมัน่นจะถึงความเชื่อมั่นระดับที่เป็ น, นิพพานสมบัติตามระยะของศีลในตอนสุดท้ายถึงมีการสมาทานศีลกันอยู่เป็นปกติให้เราสังเกตว่าในศีลนั่นเองก็ทรงแสดงไว้เป็นกฎเกณฑ์เป็นเงื่อนไขในการประพฤติปฏิบัติว่าจะต้อง ขาจัดความครุ้บแรลงสงสัยในจุดนี้เพราะจิงสีนก็คือตรายติขาคือศีและสิกขาความครุ้บแรลงของคนมันก็อยู่ที่ความสงสัยในเรื่องพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ในตรายติขาเระสงสัยในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในอดีตหรือเกิดขึ้นในอนาคตหรือทั้งอดีตและอนาคต มีความเรียบแกร่งสงสัยในกฎธรรมชาติทั้งหลายซึ่งจะเป็นจะต้องมองในลักษณะการสืบสาวไปถึงต้นต่อที่มาของสิ่งเหล่านั้นโดยสิ่งทั้นหลายนั้นมันเป็นกระบวนการตามธรรมชาติแต่ทีนี้จะเกิดสงสัยขึ้นมาในจุดใดจุดหนึ่งไม่จะสงสัยในจุดอื่นไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ เวลามีการสอนเรื่องศรัทธาท่านจะเน้นไปที่ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าทำไมจึงเน้นไปในจุดนั้นก็เพราะอะไรเพราะว่าอีกเจ็ดอย่างเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าแน่นอนเรื่องอดีตนาคตทางอดีตนาคตและกฎของปัจจัยาการนั้นเป็นเรื่องจริ ง, รงก็มีมาก่อพระพุทธเจ้าอุปัติ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของเขาแต่พอดีในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงสรุและทรงแสดงเรื่องอดีตไว้ทรงแสดงเรื่องอนาคตไว้เรื่องปัจจุบันเรื่องอดีตและอนาคตออไไ้ทั้งอดีตและอนาคตออไไ้ซึ่งก็หมายความว่าเป็นเรื่องที่เอามาเชื่อมกันทั้งสามกาศตัวเรานั้นอยู่ที่ปัจจุบันคือขณะนี้เดียวนี้ จะมีสิ่งดีงามต่างๆในอดีตที่ควรแก่การยึดถือเป็นแบบทั้งในกา ร, รปฏิบัติและเรื่องที่ควรแก่การงดเว้นเพราะการปฏิบัติมันก็อาศัยอดีตเป็นครูเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจเป็นการสั่งสอนแนะนำแต่ผลที่เราคาดหวังนั้นที่จริงเป็นภูณาณาจัเพราะความเชื่อมันก็ต้อง ไปเชื่อในตัวผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยแต่ปรดีในขณะนั้นผลในอนาคตยังไม่เกิดเพราะยังอยู่ที่ปัจจุบันแต่เราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในพระสงฆ์หรืเชื่อมั่นในใจสิ่ขาคือสี่สมาริปัญญาได้ ผลเราผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นผลที่เราเชื่อการแสดงของพระพุทธเจ้าโดยเชื่อในเหตุที่เราทำในปัจจุบันเพราะสิ่งเหล่านี้จึงมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงผูกพันกันจนไม่อาจจะแยกออกจากกันได้ว่าซืมเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้ถ้าหากว่า แอคชั่นของการลงมือประพฤติปฏิบัติเช่ระดับศีลเมื่อปฏิบัติไปแล้วจะมีการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเรามาเทียบเคียงกับเรื่องอดีตในขณะที่เรายังไม่เคยรักษาศีลรักษาศีลแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรเรานำมาเทียบเคียงกันดู ก็จะพบว่าสภาพจิตใจที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าการรักษาสิทนั้นได้ผ่านขั้นตอนพอสมควรก็จะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพิ่มขึ้นแม้จะมีความโกรธความโลภความหลงความริษยาอะไรอยู่แต่ปริมาณความรุนแรงไม่ค่อยจะมาก เรือจะรุนแรงแต่ว่าช่วงที่ถูกกิเลสเผาหลนนั้นจะน้อยเพราะกิเลสบางอย่างเช่นความโกรธก็ไม่ถึงกับเป็นพยาบาทแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้เมื่อเห็นว่าไม่ได้ก็ทำใจได้หรือแม้จะทำใจไม่ได้ในช่วงสั้นๆแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งก็ทำใจได้ นี่ก็คือการเห็นความเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นสัมผัสตรงสัมผัสตรงระดับหนึ่งก็ทำให้ขาจัดความเครียบแครงสงสัยในตัวเหตุตัวผลลงไปได้เพราะเราดูผลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราผมสืบเรื่อง ม, มาจากการศึกษาและการปฏิบัติตามธรรมะเหล่านั้นแต่นอนผลส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องอาศัยการเชื่อ ตามที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้แต่ถ้าราเชื่อจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะประพฤติปฏิบัติให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นประนีตมากยิ่งขึ้นเจ็มุ่งไปที่สวรรค์สมบัติถึง ป, ประนีสวรรค์เท่าก็จําแน่กว่ามากพระสารนะก็แสดงเหตุให้บังเกิดในสวรรค์เหล่านั้น พร้อมด้วยรายงานสภาพต่างๆให้ทราบว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรมีความสุขความสงบอย่างไรจริตใจของบุคคลที่มีความเชื่อต่ได้เชื่อในพระพุทธเจ้ามาเมื่อจะเพิ่มความเข้มข้นของศีลให้มากยิ่งขึ้นจนถึงกับเป็นวุณิสัยปัจจัยของนิพพานสมบัติ นี้จาความเชื่อจุดนี้บางครั้งเนี่ยคนก็ยังมีความสงสัยอยู่แต่ทํำยังไงจึงจะบรรเทาความสงสัยเหล่านี้ลงไปได้พระเจ้าก็จะสอนในแนวที่ให้เราคิดเทียบกัโนยนิโสพนัิการคือคิดกันโดยมีเหตุมีผลคิดแบบง่ายๆแต่นี่ทรงแสดงไว้ในตอนทุดท้ายของกาลามาสูตรจึงเป็นประสูตรที่ค่อนข้างกล่าวอ้างและแพร่หลายนัย อันที่จริงในประสูนรนั้นคนผู้ฟังในขณะนั้นเป็นคนที่มีความรอบรู้แตกฉานเรื่องต่างๆมากเพียงแต่ไม่นำมาคิดแยกแยะเท่านั้นเองพระเจ้าก็ทรงสอนให้คิดแยกแยะโดยใช้ประสาทสัมผัสจรงของตัวเองเป็นมาตรฐานในการตัดสิน จช่นในดูความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นภายในจิตว่าต่อไปนี้จะเป็นยังไงบ้างซึ่งแน่นอนคนต่อแต่และคนนั้นได้เคยประสบอํานาจอิทธิพลของความโลภโกรธหลงมาแล้วทั้งนั้นเราเคยมีการกระทําที่เป็นการรุนแรงเรื่อความโกรธบ้างเรื่อความโลภบ้างเรื่อความหลงบ้างแล้วเคยประสบความเดือดร้อนในเรื่องเหล่านั้นมาแล้วแต่การพฤิกรรมเหล่านั้นก็ เป็นการเบียดเบียนทำลายล้างทั้งตนเองและบุคคลอื่นพระเจ้าก็ทรงสอนในคิดเจตสอนในคิดว่าความโลภมื่มันเกิดขึ้นแล้วจะเป็นการทําตนเดือดร้อนทําบุคคลอื่นเดือดร้อนหรือไม่ทางเรานั้นก็สัมผัสตรงมีสัมผัสตรงอยู่แล้วมันก็ตอบได้เมื่อ ท, ทําเชตนนั้นจะเป็นการเบียดเบียนนั้นตนเองและบุคคลอื่นหรือไม่เราก็ดูได้ง่าย เพราะในจุดนี้มันสังเกตว่าเราใช้หลักของปัญญาที่เรียกว่าโยในโสมณติการแต่อาศัยประสบการณ์ของตัวเองอาศัยความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นภายในใจเราเองมาตอบคําถามเหล่านั้นซึ่งลักษณะเหล่านี้ก็เรียกเป็นสภาวะของธรรมะ ม, มันมีจะมีความเป็นสากรคือใครตอบมันก็เหมือนกัน กิเลสนั้นที่พระเจ้าส่งออกมาเป็นไฟเนี่ยคือจะทําให้ดูง่ายมากเพราะไฟนัน้นมันมีสภาพสากลตือการมีความร้อนกับมีแสงในตัวเองมันเป็นสภาพสากลไฟปรากฏในที่ไหมนก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจใครเนี่ยความโรคของหัวโผลที่เกิดขึ้นภายในใจใครจ ะ, สะแสดงอาการอย่างเดียวกันเพราะนั้นถ้ามองกลับไปที่จิตตัวเอง ซึ่งได้เก็บประสบการณ์ส่วนนี้ไว้ไม่รู้สักกี่ครั้งต่อกี่ครั้งในชีวิตเนี่ยเราโลภเราโกรธเราห ล, ลงมาตั้งแต่เด็กๆเกิดแวะมาถึงมันก็แสดงการโลภโกรธโ่ละแล้วก็ออกมาได้เรื่อยๆผลเหล่านี้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาและเราก็สัมผัสโดยใจตัวเองก็ตอบอะไรได้ไง่ายแต่คนก็ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเสมอไป มีเป็นอันมากที่เราอยู่ภายใต้กระแสของกุศลพราะพระพเจ้าทรงยกเอาความไม่โลภมันกดเป็นหลงขึ้นมาสอบถามซึ่งแต่ละท่านก็มีประสบการณ์ตรงด้วยตัวแล้วก็ตอบได้แต่ก็อธิบายได้แต่แน่นอนว่ามีเรื่องบางเรื่องเนี่ยซึ่งพระเจ้าทรงแสดงผลต่อไปในอนาคตเลย ในคราวนั้นที่แสดงแก่ชาวกหลักมาก็ทรงยกเอาภพมิหารทั้งสีประการขึ้นมาเป็นหลักโดยทรงเน้นให้พยายามเจริญเมตตากรุณาโมติตาเบขาในคนในสัตว์ทั้งหลายแล้วก็พยายามแพ้ความรู้สึกนึกคิดในแนวนั้นให้กระจายออกไปจนเรียกว่าไปสู่ทิศ ท, ทั้งปวงที่จริงถ้าแผ่เมตตากรุณาโมติตาเบขาไปสู่ทิศ ท, ทั้งปวงแล้วมันก็เป็นระดับกรรมฐานแล้ว คือไม่ใช่ระดับทั่วไปแต่พระพุทธเจ้าก็สอนขึ้นมาถึงจุดนี้แต่จากจุดของการละความชั่วการประพฤติความดีและการเจริญพระมัยารสี่นั่นเองมันผลไม่ใช่ให้ในขณนะ น, น, นั้นเพียงอย่างเดียวแต่ก็ให้ในวันหน้าในเดือนหน้าในปีหน้า แต่เราถึงในชาติหน้าหรือชาติก่อนๆซึ่งเราจะเห็นว่าจากวันหน้าเป็นต้นไปนั้นเป็นอนะวิชาคือเราไม่รู้เพราะพวกนี้จะให้ผลอย่างไรจะปรากฏตัวเองออกมาในลักษณะใดแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือต้องให้ผลเพราะเมื่าถึงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหรือว่าช่วงหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเรายังไม่รู้เพราะยังมาไม่ถึงเราใช้ ปัญญาพิจารณาในเชิงเหตุผลเนี่ยก็ดูได้ตำานองใกล้ๆกับมองสีของน้ำซึ่งอยู่ทางเหนือมันมีสีอย่างนี้เรามองดูข้างล่างเนี่ยมีแม่น้ำอะไรเข้ามาตัดกระแสน้ำใหญ่ดันหรือไม่ถ้ามาตัดสีก็น้ำานนั้นเป็นอย่างไงถ้าน้ำที่มาตัดมีน้ำใส มันก็จะสลายความขุ่นข้นเหล่านั้นให้จางลงแต่คงไม่จางหมดมันมีส่วนหนึ่งที่ออกมาแต่ว่าสีไม่จะจะไม่เหมือนในตอนข้างบนเพราะว่ามันถูกสลายแต่ทีนี้ถ้าหากว่าแม่น้ําที่มาตัดมันเกิดมีศีในลักษณะเดียวกันหรือเข้มข้นกว่ามันก็กลายเป็นแรงบวกก็ทําให้น้ําที่ไหลต่อไปข้างล่างซึ่งจริงยังไม่ไหลไป มันยังอยู่เป็นนาคตอยู่โดยก็รู้ว่าน้ําข้างล่างเนี่ยจะขุนค้นมากิ่งขึ้ น, นเพราะว่าความคุนค้น ส, สองแม่น้ํามาบวกกันมันก็ดูจิตมันก็มีลักษณะอย่างกันเจ้าจิตที่เราประกอบด้วยกุศลแล้วก็รักษากุศลเอาไว้มันก็หมายความเกิดบวกขึ้นมาสองอย่างความดีเดิมกับความดีใหม่มบวกขึ้นในความสุขความส ง, งบเหล่านั้นมันก็ ยืดเวลาออกไปมากเกินเราทำนองใ ก, กล้ๆกับใช้ไฟเป็นไฟที่มีฐานสองก้อนแล้วก็เสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปห้าก้อนเส้นสว่ามันก็ไปได้ไกล ก, กว่าปริมาณความดีที่เพิ่มพูนขึ้นมันก็มีลัาากษณะอย่างนั้นแล้วอาจจะเทียบเคียงไในแนวของความรู้อะไรต่างๆแต่แททั้งหมดเนี่ยวผลนิจจริงยังไม่เกิดเพราะมันเป็นนาคตอยู่ เนื่องจากเรามองความสลับซับซ้อนเหล่านี้ไม่ได้ไปต้องไปทั้งหมดดังนั้นส่วนหนึ่งเราต้องใช้ความเชื่อคืเอเชื่อในการศัตรูของพุทธเจ้ามันก็ทำให้เกิดความมั่นใจในจริงดอกนั้นเห็นว่าข้อ น, นี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอย่างเนี้ยแต่ผลที่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยพระุทธเจ้าก็สอนให้ใช้ปัญญาเที่ยวเคลียร์เอา อ, อีกทีหนึง่ง จะ ย, ยกตัวอย่างว่าที่ทรงยกตัวอย่างไว้ตอนสุดท้ายคำพิสูจน์ว่าตีต่างว่าตีตา่างว่าผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนั่นคือสมมติฐานโดยพื้นฐานความเชื่อคนรูทั่วไปจะมีลักษณะอย่างนั้นตีต่างว่าผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีแต่ว่าเรามีจุดยืนในที่การกระทำความดีซึ่งไหนที่นั้นทรงยกเอาปรบมือหันทั้งสี่ขึ้น เราก็อยู่ดีมีสุขในชาติปัจจุบันประรบไม่มีเวรไม่มีใครไม่มีเวรไม่มีภัยอะไรก็ใครตายไปแล้วนรกสวรรค์ไม่มีก็จบกันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ในนี้ตดต่างว่านารกสวรรค์มีผลบุ ญ, ผล บ, ญผลบาปมีมันเกิดมีทั้งสองอย่างคือนรกสวรรค์ก็มีผนบุ ญ, ผล บ, ญผลบาปก็มีเราทำความดีซึ่งก็เป็นบุญ ก็ทําให้รัไความสุขความเจริญความเกษมเป็นปีในชีวิตในชาติปัจจุบันอยู่แล้วจะพ้นจากความดีเหล่านั้นก็ยกยอดไปให้บังเกิดในสวรรค์นี้ด้วยซึ่งก็มีแต่ได้ก็ได้ทตนี้ก็จะได้มุมมองอีกมุมหนึ่งว่าโดยพื้นฐานของความเครื่งแปรสงสัยก็ดีโดยพื้นฐานความไม่เชื่อก็ดี ทำให้เราไม่มั่นใจในเรื่องบาป บ, บุญคุณโทษเรื่องนรกสวรรค์เรื่องชาตินี้ชาติหน้าเลยพฤติกรรมของบุคคลก็จะทําให้ตามความถนัดความชอบใจของตัวเองถึงแน่นอนว่าถ้าเป็นสีก็มีสีดําๆต่งางๆทำไปสม่ำเสมอพฤติกรรมของคนจริงๆไม่มีใครสม่ำเสมอดีบ้างไหมดีบ้างบางครั้ง อาการหนักขึ้นมาก็เรียกว่าสาวบันดีสีบันไรถ้นักกว่านั้นก็เรียกปปัมเปืป่อต่างก็ลมเพลมพัดอะไรต่างๆก็สแสดงลักษณะทางอารมณ์นั้นแปรผันไปตามเงื่อนไขตําตุปัจจัยต่างๆแต่ในจุดนั้นแหละเราก็อาจจะทำความชั่วทีนี้ โ, ด, โดยสมมติฐานเดิมคามคิดแบบใช้ปัญญาดังอย่างเดิม สมมติว่านกรกสวรรค์ไม่มีบุญผลบุญพ้นบาปไม่มีเราทําความชั่วในชาติปัจจุบันเราก็ตก น, นรกตั้งแต่ปัจจุบันแล้วจะเดือดร้อนในปัจจุบันแล้วจะมีเวรมีภัยมีอันตรายตรหวาดแรงอาจจะต้องติดกุ๊กเะร่างเพราะการกระทํามกัตัวเองนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราคิดได้เห็นได้นกรกสวรรค์ไม่มกีก็จบกันไม่ต้องพูดกัน แต่ทีนที้ตีต่างว่าในรกสวรรค์มีผลบุญบาปมีเราจะเห็นว่าเราจะเดือดร้อนในชาติปัจจุบันเพราะการการะทำชั่วเราตายไปแล้วไปตกนรกด้วยวนจากจุดนี้จะพบว่าในแนวของใรสิกขาก็ดีแนวคำสองก็ดีแนวพระธรรมก็ดีจะไม่ได้แสดงผลไวเพียงช่วงสั้นๆสมองคล้ายๆกรารเรียนหนังสือในปัจจุบัน อย่ไม่ได้ให้ผลเฉพาะตอบได้ในปัจจุบันแต่ผลจากการเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็สะสมมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะช่วยในการเรียนเรื่องเราอื่นนั้นส่วนหนึ่งจะช่วยในการทำงานในชีวิตประจำวันของเราหรือในภารกิจต่างๆแล่เการาดพบไปจะช่วยรู้โลกเข้าใจโลกทำความจริงมากยิ่งขึ้น แต่ช่วยเราสามารถใช้ความรู้ความสามารถเหล่านั้น ส, สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นแล้วก็มีเป็นธรรมะที่ถ่ายทอดโด้ลูกหลา น, น, นเนาะเขาถามว่าความรู้เรื่อนั้นมาจากไหนเด็กมามาจากมาจากแต่เรียนอนุบาลทําไมเด็กๆมาแต่มันจะให้ผลมาโดยําดับก็มไม่ได้หายไปไหนก็อยู่กับเราในส่วนที่เราไม่รู้ก็สร้างปัญหาแก่เราเรื่อย ในส่วนที่เรารู้เราเข้าใจมันก็จะแก้ปัญหาแก่เราได้เพราะมันในจิตใจเราก็จะเจอว่ามีทั้งตัวรู้และตัวไม่รู้ตัวรู้นั้นจะแก้ปัญหาให้จะป้องกันปัญหาให้ในขณะที่ตัวไม่รู้มันก็สร้างปัญหาให้ไม่ต้อง อ, อะไรมากหรอกเดินไปในที่ใดที่หนึ่งต้องการจะไปในที่ใดที่หนึ่งต้องการจะพบคนใดคนหนึ่งถ้เกิดจุดนั้นเกิดไม่รู้ขึ้นมามันก็สร้างปัญหาแล้ว ในจุด ท, ที่สร้างปัญหานั้นเรสังเกตว่าส่วนหนึ่งอาจจะใส่ความเชื่อก็อถามเด็กแถวนั้นว่าบ้านคนนั้นอยู่ตรงไหนก็บอกไปเราก็ไปเลยการไปเลยลักษณะนั้นที่จริงเราก็อาศัยความเชื่อเด็กเก่าแต่ทำไมาจึงเชื่อเราก็มีโยนในสมรรกาลคิดได้ว่าเด็กก็อยู่แถวนี้แกวิ่งเล่นอยู่แถวนี้เพราะวับ้านใกล้ๆนี่ก็รู้จักเห็นไหมว่าใน จุดนี้ที่จริงมันเริ่มจากไม่รู้แล้ว เ, เกิดความเพดแปร่งสงสัยแล้วก็ไม่แน่ใจก็สอบถามสอบถามเด็กก็บอกบอกแล้วเราก็เชื่อการที่เชื่อเนี่ยเชื่อโดยมีปัญญาพิจารณาแล้วคือพิจารณาในตัวเด็กแล้วว่าเป็นบุคคลที่ควรเชื่อได้เพราะเธออยู่แถวนั้นถึงขนาดนี้เธอก็รู้ได้นั่นก็คืออาการทางจิต ที่ในชีวิตของบุคคลก็ประสบกันดูเพียงแต่ว่าในจุดเหล่านั้นเรามีปัญญาพอใจไหมถ้ายังไม่มีส่วนหนึ่งเราก็ต้องใช้เชื่อ เ, อาเราคงใช้อยู่ได้สองอย่างเพราะวเวลาปฏิบัติธรรมะเพิ่มขึ้นเราจะพบว่าตัววิจิกริจาที่ถูกกระจัดออกไป ในช่วงแรกก็อาศัยศรัทธาเป็นหลักเราก็ไม่รู้อะไรมากก็เชื่อไปก่อนแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะอาศัยปัญญาเป็นหลักคือ ม, มือความความเครึ่อนแปลงสงสัยได้จางลงไปมากเนี่ยปัญญาก็เข้าคุ้มครองใจรักษาใจแต่ในขณะเดียวกันเราก็ทิ้งศรัทธาความเชื่อนั้นยังไม่ได้เราคงต้องอาศัยศรัทธาอยู่ ตาบเท่าที่เรายัางไม่เข้าถึงฝั่งของปณิพานทีจะเรียกว่ามีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไว้แล้วผลเส้นทางของการปฏิบัติธรรมะธรรมะทั้งสองประการนี้คือศรัทธากับปัญญาหรือสติกับสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมะที่ต้องใช้เรียกตั้งจุดเริ่มต้นจนถึงมรรคผลนิพพานกันทีเดียว เพราะในพระพุทธธรรมรัตนที่สรงแสดงเรื่องสตากับก็ดีเรื่องปัญญากันดีจะพบว่ามันก็มุ่งไปสู่นิพพานด้วยกันจนึงทรงแสดงว่าสตายาตรติอกขังบุคคลจะข้ามพุงน้ําคือกิเลสได้ก็เพราะอาศัยสต้าแต่ในขณะดเดียวกันก็ทรงแสดงว่าปัญญายาปริสุทธิบุคคลจะหมดจดจากกิเลสได้ก็เพราะปัญญา ตึงหมายความว่าในภาคปฏิบัติธรรมสององค์หรือสองประการนี้เป็นปัจจัยใส่ซึ่งกันและกันแล้วก็อิงกันต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป